พี่เบญฯเด็ช่วงพรุทธดุพระพุทธศาสนายุกันมาจำเดิมแต่วัด น, น, นี้คลานแท่งของสมเด็จพระอรหันตะสัมมาสัพริจารวันนี้ร่วงไปแล้วสองวันหน้รอยห้าสิบเกตพระวัติศา ตานับจากวันตัดสินลูก่ก่ัน2ก่อน6 2ปีปัจจุบันหลัทจาใหม่สุลจินที่3โมกกาลาอมพรทธศ้ากราลา2ก่อน557ฉุกนวันนี้ต้องเกินขึ้น3ครั้งเดือนโง่ง มีในอย่างเหล่าพุทธศาชนิกชนมีพิจุมีแม่ที่มีอุบาสกมีบาจิกาแต่เพิ่งกันหมดเราด้วยอุปกรณชนิดอันนี้ก็มีโอกาสมารทำวัดต้มทำวัดกับวัดพระโสทองอ๋อ ตอนเช้าเนี่ก็มีโอกาสดีได้มีโอกาสได้พูดธรรมะสู่กันฝังบ้างเพื่อเป็นมิตรซึ่งกันและกันบอกสิ่งที่สิท์ที่ถูกต่อกันและกันแต่เราไม่มีจิตวิปิฏฐิในสวนมนต์ไหวพระตอนเช้าตอนเย็นก็มาไกลกัน บราณท่านว่าเตินเช้าไม่เข้าหลังยามหน้าที่ของเราเป็นนักบวชจะไม่จดพลวยพาือว่าเสื่อมได้ยึดของเราที่บวชมานี่จะเพื่อพระศาสนาจริงๆไม่ได้บวชเพื่อสนุกสนานบวชเพราะ อาศริการเลี่ยงชีพที่เกียรติข่านังมาบวชไม่มีมชะติปัญญาของโง่ยังมาบวช น, นี่ไม่ใช่แบบนั้นเราจะมารับผิดชอบพระพุทธเจ้าตำหนาได้เห็นได้ยินใน ดูมีนักบวดเนี่ยทำผิดถิ่นผิดทำผิดและเบียบวินัยอยู่เรื่อยๆก็ทำให้เราได้คิดขึ้นมาว่าเราเองเพราะเรารับพุทธจารยชนะได้ศึกษาคำ ส, ส, ส, ส, ส, ส, สอนพระเจ้าศรัทธาพุทธเจ้าศรัทธาพระธรรมศรัทธาพระสงฆ์ศรัทธาคำสอน จะได้ปฏิบัติ ต, ตามมาก็มีประโยชน์มีผลมากมหาศาลมีคนทํา บ, บิดพาดนี้ก็ได้ก็เฉียนใจอยู่บ้างอยากจะมาแท้ไขรับผิดชอบเรื่องนี้เมื่อเราจะรับผิดชอบเรื่องนี้จึงใดเราไปรู้คนจะรู้จึงใดเราไปทำไม่แจ้งใครทำไม่แจ้ง พอได้ศึกษาข้อมสอนได้ปฏิบัติกันทัตุลละศึกษาเลา่าเรียนข้ามสอนแล้วก็ได้นำาปปฏิบัติในนิปัานาัตุลละได้ฝึกหัดกายใจตนเองพอสมควรรู้จิิงที่ผิดรู้สริงที่ถูก เหมือนกับเราตั้งใจไว้เมื่อเห็นจริงใดผิดก็อยากแช่ขจยองไดถูกก็อยากสนับสนุนอยงพยายามเอาอกาดเาเวลาหาสถานที่ทำางไงคนจะได้มาศาึกษาธรรมะธรมสอนจริงๆไย้จะตั้งหลักท่าทายดู บอกของอวงี่เจ้าีจริงไหมมาผลนิพพานยังมีอยู่ไหมใกรคนมาพิสูดดูผลขวายหาถานที่ที่เหมาะสมหาเถามที่ที่เชื่อมโจงอยากจะเข้าไปแก้ไขนี่เหมือนกับว่าเราจะบอกสิ่งที่ผิดสินที่ถูกเรื่ง ด้วยใจิตใจบริสุทธิ์นี้ตรงไหนที่มีปัญหาก็อยากไปอยู่ที่ตรงนั้นอยากจะบ้าอยากจะเก่แก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้คนใดที่มีปัญหาก็อยากจะไปเป็นเพื่เป็นเพื่อนอยากจะเป็นมีดคนที่ไม่รู้อยากเป็นนี้เป็นเพื่อนคนที่ไม่ นิสติปัญญาช่วยเองไม่ได้ํำบากํำก ร, รมไม่ใช่หลังเกียรติเป็นเรื่องที่ตั้งจิตตั้งใจอันแน่วแน่ในเดือนนี้ได้บอกคนมาสอนคนมาตั้งใจที่จะสอนจริงๆทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการนี้ เมื่ก็ว่ามีคนมาศึกษาปฏิบัติและก็ได้สอนมาบอกผิดบอกถูกบอกวิธีการทำตามผู้เจ้าสอนนะันะเอามาทำดูมีอยู่มันมีอยู่จริงๆวิธีปฏิบัติสมบูรณ์แบบมันน่าจะจน สิ่งใดที่เราบอกลงไปนั่นเหมือนกับเร น, นี่วันเมตตันเดมโพธิเขาไปดูชีวิตของคนมีจสติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจบันทิดเวลาวันหลงให้รู้เนี่ยเราววันไปทุกคนที่มาปฏิบัติเวลาเรามีสติดูกายเคลื่อนไหวดูใจบันทิด เห็นความหลงความทุกความโกรความไม่ดีเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราด้รู้จุกตัวอย่าปล่อยจริงไม่ดีทิ้งไว้ในกาในจใจนั่นจะซึมซับไปสู่ชีวิตเราเป็นจดิ์นิจัยให้อาภาวาที่รู้จึกตัวนี่ไปแก้ไขไปชำระล้างออกเช็ดออก เรียกว่าปฏิบัติธรรมเปลี่ยนร้ายให้กันดีอย่างเนี้ยล้วก็ได้บอกเรื่องเดียวเท่านี้เวลามันหลงให้รู้เวลามันทุกข์ให้รู้เวลามันโกรธล้วคิ่ไม่ดีให้รู้สักตัวเนี่ยมันมีอยู่จริงในชีวิตของเรานี่มีกายมีใจมันมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเนี่ย เราก็เคยมีเรื่องนี้เกิดขึ้นว่าชีวิตปุตุชนงนหนึ่งที่เคยถูกเฉียเปียบเฟืองทุกข์เฟือปวดมาเต็มที่แล้วแต่ยังไม่เสียหายมากมายเออเลยเห็นทุกข์เ็นทุกข์เดินที่สิ่งที่เกิดขึ้นว่ากระจา้นวัตถุอาการมันไม่มีจุกจริง แล้วก็เปลี่ยนได้จริงเจ๊ไขได้อยู่ถ้าเราเปลี่ยนอย่างผู้เจ้าศนตามหลักปฏิบัติสติปัฏฐานดัชนีมีสติดูกายเห็นกายเป็นประจํามีสติสัมผัญญาถวงความพอใจและความไม่พอใจออกมาซาแล้วก็มี เวลาเรามาดูขายเครื่องไหวเห็นใจมันคิดีนเห็นสิ่งเหล่านี้เปิดออกมาแล้วขายของที่พ่วมขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกได้เห็นได้เข้าไปแจ้งขายครจสานสอนมาจากนี้เกือบจะห้าสิบปีแล้วยังไม่เป็นที่พอใจนะเมื่อใดโพ้ดิของเหล่าที่หวานลงไปจากร้องขึ้นมา ให้เป็นล้มเป็นดอกออกผลเพอคนได้าอาสัยบา้านซึ่งเราก็มีเป็นฉบับสังก์ของมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีเมตดมีที่มีน้องมาช่วยกันไงโอที่อันนี้่ะเปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนหลงเป็นรูปบันไดอุ้มน้ำมมอดีไม่แห้งไม่ ท่วมไม่แข่มากถ้าทำอย่างนี้เหมือนกับเม็ดพืชที่อยู่ในดินที่อุทหภูมพอดีเงินละหวานข้าปผกตัวผูกแดงลงไปในดินมีน้ำชุ่งชื้นอยู่เหมอให้นอนอยู่เสมอก็ย่อมเกิดล่าเกิด โนขึ้นมาว่าเจอเมล็ดพืชเม็ดใดที่ไม่รีบก็ยกมือขึ้นรู้จึกตัวเวลาวันคิดรู้จึกตัวเพื่อนไหวที่ใดรู้จึกตัวนี่เถอะเมล็ดพืชโพธิ์ที่นี่ไม่รีบดังมีโน อ, อยู่ได้อยู่ แต่เราจะพยายามขนาดไหนถ้าเราไม่เพียรพยายามกาจะบอดได้เหมือนข้าวที่เจ็บไปนานๆไม่เพาะไม่ถูกอุณภูมก็จะบอดได้ไปบาดแล้วก็ไม่เกิดได้ถึงไม่ควรจะระมารตเตืนแต่เด็กถึกแต่หนุ่มบ้างแล้วอยู่ที่ไหน โดยเฉพะพวกเราชาววัดเป็นนักบวชแล่วเดียโอกาสจนที่แล้วจนเวลาที่จะขวนขวัญเรื่องนี้ได้พยายามสร้างพละกำหลังขึ้นมาแต่และเม็ดแต่และคนแต่และชีวิตเสริมกันไปเรามาดูชีอย่างจับทาเนี่ยเป็นกำลัง แต่กำลังงินใหญ่ที่สุดออกหน้าออกตาเชื่อจริงๆเชื่อว่าผู้เจ้าวิญญาณพระอรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงทำที่ผู้เจ้านำมาปฏิบัติเป็นผลจริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้แล้วก็สวดตัมวาสสวดมนต์ทุกเจ้าทุกยันอยู่เนี่ยนี่เราวันนั่นเดินแล้ว มามาปฏิบัติดูอย่าทอดแค่ให้มีฉัทรชาแน่วแน่ร้องไยเป็นห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงหลานมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรตากห่วงจือเกก็ต้องเป็นคนดีแล้วก็มีลูกมีพ่อมีแม่ไม่ใช่เกิดมาจากที่ไหนทุกคนมีพ่อมีแม่พ่อแม่เราก็ต้องการให้ลูกเป็นคนดีประเสริฐ เดินหน้าพิชติตตรบูตรเป็นบุตรที่อาจจะประเสริฐกว่าพ่ อ, อกว่าแม่ก็ได้หรือว่าเป็นหฮนชาติตระบุตรบุตรที่เลวจอมกั่พ่อกว่าแม่ก็มีนะเราจะเป็นบุตรประเภทไหนกันบาตรูกพ่อนี่แม่นี้เราละคนหนึ่งให้คิดอย่างนี้ขึ้นมาแทนพ่อแทนแม่เราพ่อแม่เราตายไปแล้ว แล้วก็เป็นตัวแทนชีวิตของเราได้มาจากพ่อจากแม่ว่าทำความดีเนี่ยมันมีอย่างนี้ชีวิตของเราเป็นสัตว์สังคมนย่นีสืบสกุลอย่างนี้ถ้าชีวิตหนึ่งมีจัทตาเพิ่มเข้าไปแม่ว่าดับหอยลัลไปจากร้อยสองร้อปีก็ยังมี แบบอย่างในสมัยพระพุทธการว่าใช่พุทธเจ้าเพียงหลังพระ อ, องค์เดียวมีเหล่าสาวกด่าน้อยมีตัถธคตที่เด่นเด่นแปดสิบลูกเนี่ยลองอ่านประวัติดูเจ๊อนุพุทธประวัติเนี่ยเพราะสาวกแปดสิบลูกเนี่ยมีแต่ล้วนเด่นเด่ น, ดนดงนั้น มาใช่คนเดียวไม่ใช่พระองค์เดีย ว, ยวนนแต่ผูธเจ้ายจนพนผู้เจ้ายวดยชื่อว่าสมหมาสมพุทธโทโอสอนคนเดิในให้ลูดตามเนี่ยแน่แล้วแน่แล้วนี่มันก็เป็นอย่างนี้สร้างชะตาขึ้นมา จนมาถึงยุคล่อสองรอยปีก็มีครูบาอาจารย์มาเรื่อยๆจนมาถึงยุคหลวงปู่เทียนเนี่ยยังสัมผัสได้อยู่คำสศรเนี่ยนิจติดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดเนี่ยใจมันเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวของจิตคือมันคิดสันตวันของจิตคือตัวคิดการสันตวันของกายคือมันเคลื่อนไหวยดินเดินดั้งนอน ต่ดีต่อชั่วแต่ลองื่อนไหวที่มันคิดคิดดีชิดชั่วสอนมันตรงนี้ลองดูเจ้มีเจตนาต้องไปมีศรัทธาลองไปมีความเพียรลองไาแต่เจอลองไปอย่าทอดแค่ชี้เกียร์ชี้านอ้าวว่าเจอแล้วอ้าวว่าหนุ่มเมาว่าหิวหวานว่าร้อ น, นอหนาวหนาว มาไม่ได้ลักษณะที่อ้างเหล่านี้หลวผลนเกียดขค้านหมืกับเม็ดพืชไม่ค่อยตื่นกับดินฝ้าอากาศรูละพวงโฉยเมยหลงก็ป่อยให้หลงเนี่ยด้านไปแล้วทุ ก, ก็ปล่อยให้ทุกนี่เม็ดพืชติดด้านไปแล้วไม่กระตือรือ น, นไม่เก็บพลังงานไม่สะสมความชื้นไม่าะสม พลังงานก็อาจจะไม่มีประโยชน์เราก็จะเป็นเมล็ดพืชที่ไวกว่าแสงสั้งดยเหมือนเม็ดถั่วเม็ดแจงที่เราผูกลงไปในดินเม็ดไดที่เขาหยันงพัฒนาตัวเองออกก่อนเขาออกก่อนเม็ดเื่นขึ้นไวกว่าเม็ดอื่น เม็ดด้ที่อ่อนเดีก็งอกออกมาก็เป็นเป็นไม้ลอดทุ่มไม้ลอดพุ่มก็ไม่จเจริญพอแม่ไปทำทันเดินแล้วพลูกข้าวโดในหลุมเม็ดดที่ออกฟังเสูงขึ้นมาสูงขึ้นไ ป, นไปออกฟัก มักจะเจ็บไใทําพันธุนนน์มันแข็งแรงหกิดเจ็บอะไรที่ก็เจ็บโอยต้นนั้นสังเกตดูแล้วก็เมื่อออกปักปักหนึ่งปักสองห่อไว้ก่อนเอาไว้ห่อไวจนข้าวโคดพัดนไม่เจ็บม่กินต้นไหนที่เม็ดไหที่ออกช้าต้นเล็ก มีเท่าไหร่มากินหมดมันจะได้พันได้ดีจวนี่นะจะวไร่ชาวนานหลังตายเอ็งเป็นคนที่ํำนานเรื่องเม็พันธุ์พืชทด้จุดอันนี้เลยว่าเลือกพันเราจะเป็นบุรดองอะไรกันจักดึงคนม่ได้หรือให้รับไปชอบตรงนี้ลองดูมาแล้กวก็รับไปชอบวชานา เห็นคนทาผิดมันไม่ใช่จะเป็นเรื่องสูงเสียบื่อหน่อยท้อมาเชืมแข็งเห็นพระสงฆ์หอนเดีเห็นพระสงฆ์ขี้เละยากจะรับไปชอบแลพระหลกงนี่เป็นอุท้าหอนสอนตัวเองจำไป่ทำเหมือนพระหลูกนี้จะขยันเหมือนเพียรไม่เป็นตัวอย่างหาเลือกตัวอย่างได้ยังมีอยู่ในโลกเดี ปีใหม่เน่ยเรามาตั้งต้นกันดีๆสร้างพลังงานในเม็ดพืชแข่งโพธิในชีวิตเราเให้มันถ้ามันเจ็บอุณภูมิตื่นต่อไว้ต่ออากาศชัดลอยถ้าไม่ตื่นเลยมันก็เฉื่อยช่าดื้อด้านหลงก็ะป๋อยให้หลงทุกก็ผปอยให้ทุกหรือเป็นทาาของกิเลสตันหาไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีประโยชน์ เฉียวเวลาเปล่าเวลาก็หมดไปหมดไปเราก็เฉืยเท่าทัววันความตายก็เข้ามาทุกวันแล้วจะทำางไงเนี่ยติเตีนตรงนี้มันเข้าใจเป็นประโยชน์มหาศาลเงินทองเหลือมีเท่าไหร่ล้านมีเท่าไหร่แสนแสนล้านล้านท่าไรไชื่อไม่ได้ชีวิตสุดยอดของมนุษย์เนี่ยมัน ไม่สามารถชื่อโดยเงินตาาไม่มีร่าที่มาเกียบเทียบได้นอกจากเราว่าปฏิบัติทำเนี่ยจึงน่าจะใช้เวลาให้ประโยชน์ย่อมมีนเนื้อแข็งแรงมากอยู่แม่เนื้อไม่แข็งแรงไม่มีก็ยังมีจิตมีใจอยู่เนี่ยสามารถดูได้เจ็บ เอาความรู้สึกตัวอยู่ในท่าไหนก็ได้เดินมาได้นอนก็ได้ดั้งก็ได้ยืนก็ได้ไม่ต้องเดินนั่งวันมันจ ะ, จะแสดงออกให้เห็นอยู่ถ้ามีจิตีนะนี่แต่คนที่การเดินมาได้ก็ยังมียวการเข้าใจเรื่องนี้ได้นี่เรายังเนื้อแข็งแรงมากเอาไปเช่อะไายกัน เวลาใช้จตราเลยเอาความหนุ่มความสาเป็นลำใช้จิตนาสูญต่อไม่ีเลย<ม>ไหนความสุขอ่ะเอามาดูจีไหนความทุกข์เอามาดูจีมันไม่มีเรถูกหล อ, อกอเฉยๆหาว่านั่นเป็นความสุขนี่เป็นความสุขตั้งตาตังหูไหนมันมีที่ไหนไม่มีมันเป็นหวงใอ้เที่ยง เรามีกายมีใจด้อาศัยมันทำลายถ้าใช่ไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษแต่ใช่ถูกก็เป็นประโยชน์ต่อเราปีใหม่สองวันห้าอให้เจ็บเจ็ดนี่มาตื่นทีหน่อยปลุกเปว่งให้ตื่นอยู่เสมออย่าประมาดอย่าปรหมาดใรความคิดอย่าประม า, ามดามาด้วยการเวลา อย่าประมาทความสุขของทุกตัวอื่นมันดูสุขทุกความว่าใช่ชีวิตเราแล้วพอเราสุขโดยทุกข์จะได้มื่อไหสุดยอดโดนไปรุ่นอีกนตัวเลจะยังมีความหลงแค่นี้ก็ยังไปไม่ได้ไม่ยาปากพ่อกล้วยกราบนอก ยับอกไปได้จะได้เก็บยังไงความหลงความโกรธความโลภความทุกข์กยังไม่เป็นคล้วยกาบคล้วยกาบโลกอกจะได้แก็บของกล้วยมันก็ไม่ได้แล้วกาบนอกไปยังบอกไปได้ยังตกเป็นทาตุความหลงในความคิดในอารมณ์ต่างๆมันดื้อด้านอยู่มันเป็น บึกลว่าปุถุชนผู้ถูกไปไปยังหนาอยู่ยังเข้าหมายถึงเก่นได้ง่ายได้ถนนมันทําไมว่างทอยังยินนี่จะความลับวุนเมื่อละกนแล้วยังคิดถึงความลับความชังมาเปิมเบื่อในใจยังไม่รู้จักชำระออกไม่มีจิตไม่ถอนออกมายังมีล่องลอยอยู่ เวียนอยู for us for us so it, ่เช่นนั้นเวียนวัฏตะเวียนอยู่เช่นนั้นก็ไหนทำให้มีความรักเวียนไปคิดถึงวนไหนที่มีทําให้ความทุกข์เวียนไปคิดถึงเหมอนอยู่ก็ทุกข์ทั้งสองอย่างในความรักก็มีความเกลียดชังในความสุขก็มีความทุกข์อยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ชีวิตของเราเมื่อไหร่จะข้ามที่เหล่านี้ไปได้จ๊ะนี่กรรมฐานเนี่ย การมิถันนี่การกระทำนี่ยมันทําได้นะทําได้กับมือสัมผัสได้กับชีวิตเราจริงๆดูจุดระดึกได้จ้ะอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นเป็นสูตรไปวันสอนให้เราเห็นจริงๆเนอะได้บทเดียนจากความผิดจึงมีความถูกได้บทเดียนจากความทุกข์จึงพ้นทุกข์ ได้บทเรียนจากความหลงจึกพ้นจากความหลงดูดีๆเก็บเอาผลประโยชน์จากตัวนี้อย่าให้สงเป็นหลงอย่าให้ทุกข์เป็นทุกข์อย่าให้โกรธเป็นโกรธไปอาศัยความยิดเหตุผลมาแก้มาคิดมาหาคำตอบมันไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติลงไ ป, ปจริงๆถ้าปฏิบัติตามคำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ผิดแน่โดน ิที่ไม่ผิดเนี่ยคือทานเนี่ยสารวมไม่ยินดียินดายไม่ปฏิบัติสิ่งที่มันผิดแต่ละสิ่งที่มันชั่วทาความดีลองดิสิชีวิตของเราเฉยลงไปอันเป็นเอกลักษณ์ของชีวิตเราปลุกใจตัวเองหนึ่งเราเราจ ความเชื่อหมายทำเด็ดขาดแม้จะเกิดจากความคิดเกิดจากกาเกิดจากวาจารท้งานสามเ้าดิ้งรักษาสามตายเนี่ยไม่ทำเด็ดขาดความเชื่อหมายทำเด็ดขาดเด็ดขาดเลยจะทำความดีตลอดไป ไม่อยู่ไม่ย่อนความดีด้วยจิตใ จ, จบริจุท์ไม่หวังค่าตอบแทนชื่อเสียงส่วนแลเสริญไม่ไม่ต้องการตามไปบุกไปเลยนีเย็ดเย็ดโดยบือวีเท่ามีขาวิเข็ ด, ดจะแบงออกทำความดีไปเยอะๆเลยสร้างโลกทรั้งโลกก็ได้ รับผิดชอบคนทั้งโลกกันด้วยไอคิดกว้างใหญ่ไพศาลเราจะหาอาหารให้คนกินทั้งโลกเราจะหาอยู่ขายายให้คนเจ็บป่วยทั้งโลกเราจะช่วยเหลือคนที่ไม่มีใครช่วยคิดจิตใจอย่างเนี้เราจะดูแลรับผิดชอบไปเต็มหมดดำหมดแดงเผื่อดินนาศเานืน้อป่าใบ้างปนเยอะแยะเลยในโลกนี้เนาะ อไปมองอะไรสุขแคบอยู beach, ad, alert, ่แค่นี้เอาตัวเองเป็นใหญ่ตัดทินงใจตัวเองคิดเจ็บก็หยุดนอนพยันต์ต่อกรกจไม่ปล่อยปาละเลยยิ่งสำรวมนี้เราบองตรงไม่ไหนนี่ไม่มีคําว่าเจ็ว่าเจ็บว่าตายหรอกมันจะต้องการปฏิบัติดีเสมอเวลามาให้เราได้วยใจ ไม่ใช่เวลามาทำกินชีวิตของเราแตเราไม่ทำอะไรเลยเวลาเกินชีวิตหลังเราแต่เราใช้เวลาเป็นเรากลายได้ประโยชน์จากการเวลาอันนี้นโให้พวกเราี่มีกําลังใจมีจัตตามีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้พัฒนามได้เพื่อโหนโพธิ์งอก ง, งามขึ้นมาเป็น ด, ดอกผล ให้เป็นล่มเป็นเงาให้เป็นจิงงานสาขาให้ศึกษาราวจิงผู้คนในอาศัยจะได้เป็นบุญเปกุศลไม่เขีชาติเกิดมาเป็นุดผู้พุทธศาสนาด้วยกันในชาตินี้ทุกคนทุกคนเดินตามข้าพ้องกัน